ที่เราเห็นเองบางวันมันก็เป็นเหมือนนี้ใช่มเป็นเหมือนตัววันนี้เราจริงกันอันนี้มันเป็นวันใช่มันวันสุราช่านะแล้วก็นอกจากท่านปูท่านย่าท่านแม่จะไม่ท่านตาไม่ถึนใครมั่งศัเต็มหมดทั้ว่าทั้่ำวันใชหแค่แปบเพื่อนมาเปล่าเนี่ยเขาว่าไงยิ้มอะไรนะ ไม่โจรกระตังอ่ะที่แกขโมยด้วยเนะหรออืมไยิงนะไดีแล้วนะ แ, แล้วก็คณะกระดูกันเสียดอ่ะแล้วก็ตามมาทีนี้เพื่อคนที่ยังไม่เคยมาแต่เพราะก็าเดียนไม่เคยม า, า, ยมยมามจึงจาไม่ขาวนะขาวแคลงงนะอันนี้ไม่มี 42, เมินที่ของเลยเหรือที่มีของ เราดูรอบรอบบริเวณบรรดุขบวตสิาอาจมีร่วกันไหมมีนะในช่วงบรรดุขบวตสลาอานี่แลบดลาอานี่กับเสบตุลาวนี้ิงาถ้าเราจะมองระยะนเป็นทางไปีไีนะอันนเป็นทางที่เราจะไปทั้นต่างๆใ้าเรเ้าถึงรมแท้ายนะตอนนี้ไปก็ขอให้ทุกคน ไปชมเวทรสยานตะวินใหม่ขอท่านปู่ท่านยาก่านแม่ท่าี่แม่เล็กท่ขาท่าบารมีองค์พระเดชธรมานุเจราวันนี้เขาเห็นขัดเห็นเตียงเห็ต่าความเป็ริงทอย่างยังได้ใช่ไหมสวยไหมสวยบสบายมั้ยไม่สบาม่สบายมาะคือขัดมากเลยขัดมาก เออวันห่งบางคเรมีาเรือสีอะไรนะเป็นเสีน้เีะยอดตันยอดยอดเป็นยอยอดเป็นยดดถ้าว่าอรยอดเดียวก็ขอท่านขอให้ตามคารเป็นยอดยอดใจอยู่กลางใช่หมถูกมาก นี่เป็นจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งที่ท่านดาเดงเวลาเจอคนจะรู้ถ้าว่าเพื่อจะมันวันนี้นอกจากบนวันทีว่าลูกลูกไหลเขาทำดานเดงเขาไม่ได้นะแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านแม่กับท่านแม่สักขาอันนี้แจ้งคนทู่บุตรสัญญาถมาตเป็นหลักเต็นะถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ให้พาไปเทวดาคา อันนี้ดูมาัดอยงนั้นใช่ไหที่ประชุมเทวดาก็แล้วปัรยาความตามไชเสด็จญาติเป็นสภาเดียร์มีที่นั่งกลางเป็นอะไรก็ด้านหน้าอมาเป็นที่นั่งคอยสังเกตแล้วแถ อีกใครปนะต้องอีกไปนะเจ้าพัวัดด้วใช่หมเ้นองค์ใไหมในนั้นว่าว่าวสภาแก้พวได้แก้จิตการเชสวยมากนะเ๋เราไ่าบันดาลมาได้เาืจอให้คนที่ยังมิมมได้รู้ถ้าต่อดีไปก็ขอให้ท่านแม่เปตรบันดาลไป้วบันดาลไตตรียมบัดาลไ้ท่า บรรดาเกดรเวลาที่เทวดามาไว้ปูกันนะเทวดาเ็นั่งแล้วก็ทำปูที่ไหนแล้วเขาไปจัทมาเล่งสอนที่ไหนนี่มีการไหมภาเทวดาปรกฎในการรุมมีนะอาจารย์ขอจำแนกเทวดาที่เป็นตามธรรมชาติแต่มันมีเกณฑ์ระวดาตามหลักที่คุณท่านนะเป็น เต็มกระเปอาใช่ไหมโดยคนจำได้เลยต้องจำจำภาพเลนะไม่เป็นจุดเดยนขนาท่านที่ยังตามไปไม่ทันก็เป็นไรนะเพราะว่าใรวภชพาที่เป็นที่ในสมุทรวรราก็เรียกว่าดาราคุอธรรมมาเองมีภาควันสลาหรือเป็นศาสยอดเป็นศาสตรเป็นศาสยอดนะ ที่นี่เขามันม่มีไม่มีสาาธรรมดาอะไรก็ตามก็เป็นพออหมดเลยกต่ต่อไปก like so <est> ็ทุกคนไปดูสาวกุพนีกันแม่ทมถึงขาดสางกนี่แหละนีแล้วนะครับพอดูได้ชัดไป็อวันจริงเลยนะพอได้ดูว่าความสวยสดสวยงามขสาวกุพีคนวนเวรอบแล้วคอยเห็ภาพนตามคามเป็นจริง ไอ้เหนมันภาพไปที่ลงต่างๆจริงไอ้ภาพไปที่ลงอะไรที่นอนมีหลายจุดนะหลายหลายจุดมากนะน้ำสีเป็นไงใสเป็นแก้วแก้วแบบเานะไอ้ใสเรงนี้เขแก้แล้วเน่ยไ้าำไมไอ้จับมีโักยีไหมมีบัวมีบัวนะจักโปกมีก็คือสามดอกบัวเอ้าโดนเจ็จมูกโดนเอีน ทั้งลงางนั้นเลยทั้งขาวขาวเป็นบันไดลงเลยนะใช่ใบ่คือบันไดลงสองแล้วมีอะไรอีกพอพอจะลงไปแล้วใช่ไหมเออถึงน้ำตากไม่น้อยน้ำหรือชุดตัวเปิดจับน้ำลงลงลงเสียบนะไม่เห็นเลยนะ นมามือสบายกไ็ไม่เสียเท่าแหละนี่แล้วก็ตรงว่าเท่านี้นะจำบดีนะต่อไปเราก็ให้ท่านแม่พาไปทั้นยามาอากท า, มาไหนท่านนำไปทาไหนเดินไปเข้าส่งวงระวางพรเจ้าลามีกำลังุพุทธนาครับครงมีทางไปนี้ทางไปนะวันนี้าจะการทายนะส่วมันรบโดดซุกใช่ไหม ทางสวยไหมใช่ค่ะเขาขาวาวสวยเองยิ่่าใชรไหมน่าดูวิมานพระท้านยามาการเทวดาท่นยามาเนี่ยเป็นงเคื่องอะไรวิมาเสียอะไรมานกเป่ะเปเครื่องขาวเป็นสีขาวเลยขาวดูเทวดาท่านยามาทุกองแต่งเครื่พุทธทรงขาวเป็แก้วทหมดใช่ไหม ใครจะประกาศตัวเนี่ยเป็นแฉนิวการถูกต้องเอ็งทีดาที่ยามาไหมี่บุตรพี่หัวหน้าผู้ชายผู้ชายเนี่ยเรียกว่าข้ายามาเรียกว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ท่านยามานะถามท่านนี้ว่าท่านทำบุญอะไรเพียงเล็กแต่ดหัวหน้าวานันเนี่ย หนึ่งทานท่านลดใจท่านยามาต้องมีทานมีสีงมีภาวนาครบนี่เท่าัก็ตนตอนักสดมน์ดมือก็ภาวนาเหมือนกันนะสดมน์ก็คือภาวนาแต่ภาวนาธรรมดาคือภาวนาแล้วสดมน์ต้ก็มีจิตสมะที่ภาวนาต้อมีจิตสมะที่เทวดาท่านนี้ให้ถามท่านพระยามาที่ว่าท่านได้ทานแลืเปล่า ได้ได้ได้ถ้าใจาทําไจมได้ปอยู่์ลมะอพอใจอยู่ที่นี่พอใจอยู่ที่นี่นะันูกต้องหมายความว่าเรามีสิตจะประยชน์กลมได้เหมือนถ้าเท่ากับสวรรถ้าเวสวรรค์ขาออกจากบ้านศาล่ถ้าท่านเป็นพระอรีย์เจ้าทมีสิตจะประโยชน์กลมแสดงการที่จิตจะมงตไป แต่ว่าท่านทากว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์เดิมทีนะท่เกิดเป็นตนท่านจารมหาราไอ้เรืองคใจที่ได้มาอยู่ที่นั่นนะเมือนกับทางยามาในเมงตันพอเจนท่านได้ทานริดนึงแล้วท่านยิ้มเลยยิ้มเลยค่ะพอเจนมีความจัดใจที่เราทานเมื่อก่อนที่ท่านจะตายท่านเป็นมันเนี่ยท่านเป็เคราว่าแลสวท่านเก้น เร้เรากิดที่เนี่ยเรียกว่าเิ็นเรีว่านะในใจแล้ว่าชาบ้านเนี่ยก็อมีสิทจะงทานมาบัตรได้แต่ว่าาบ้านจะทานสมาบัตได้แต่้าจะทานจำนบัตรไม่ได้ถรโทีแต่ว่ขอให้ท่านพาชมบริเวณขอท่านยามานี่เขาบอกปาดูนะเงียบสงัดต้องมีเพเกียงจังเาดูเงียบเงียบตอนนี้ต้องเงียบนะ มันเหมือนเตาเริงกับเริงเป็นเสียงใช่ไหมมีความสนุกสนานร่าเรแล้วไอ้ชันยามานี่มีปกติจะเริมาบ่ายตลอดเวลาที่อ่อนแได้มีเสียงแล้วเข้ามาแตเหมือนจะป่ายตาป่ายัดต่อไประยเวลาท่านชันยามาใช่ไหมไ้ยืก่อนเยาว์ลายตัวนี้ท่านจะแยกจากพวกเราโต่เป็นพ่อใจี่ยลนี เนี่ยเ็นผมก็แก่ใช่ไหมเออไม่รู้เอาจัดาอย่างเงี้ยลาแท่งไปแท่งดุจิเขาให้ค่อยแม่าปการถ้าคุยไปด้วยกาไปคยามาไปด้วยไปด้วยคือหน้าท่เา้านองเงี้ยท่านที่บอกพาลม่ได้บอกพาที่ได้านลยวันนี้เราไปพุกพัดไปตรงนั้ข้างไปดนวนไปไม่ได้เหมือนเสือ้างข้ามมือไรแคล้วา มีนะมีอากาศเป็นในปัามอยู่รู้สึกผิดเป็นสุขมากนะเนี่ยสงบเนี่ยสเป็นสุขนะตอนนี้ยอดถึงเก็ู้สึกได้ใช่มถึง้วถึงแล้วนะถึงไทยนะโอ้โหฮะตัวบอลอะไรถูกต้องพ่มาเย็นนี้แใช่ไหมอยู่อะอยากใส่ตอนนี้อากาศตัวไหนน เป็นประกอบทีนี้หมดเป็นต้องประกายเอาเซ็นที่เลยใช่ไหไม่เนตัวยังวันนี้เลนะยอเยอะยไม่เต็ขอใหท่านทำเยมา่นแล้วเจเจคนจากท่านก็รับผมว่าความรู้ที่เราใช้ในเวลานี้เป็นความรู้ที่หลวงพ่อได้มาท่าน อกวาไม่ได้แลาทปนะคปฏิบัติได้แล้วทำตอบเป็นอะรที่ไม่ไม่เป็นธมทานใช่ไหมวอะคท่านบอกว่านิพพานสมบัติเจ้ารักษาเอาไว้นิพพานสมบัติจะรักษาไว้นะ อากาศเรย็นถามกันี่ว่าทุกคนที่ผ่านเวลานี้จะมีการพลาดเป็นารยังมั้ยไม่พลาดเป็นารไม่จะมาดนะเร <c oughs> าบอกว่าพาดทุกคนก็ดีใจีใจนั้นแปลวใจเลยไม่หวแฟนนะะ <c oughs> อ, <c oughs> อ, อาอะแต่ไม่ไ่ะโเอาตกลงนะเอาตกลาดท่านขอให้ท่านพาไปหาท่านชที่อันนี้ไม่ใจเลย ไปตามทางไปยืดพ <ể> ุทธสิงห์ก <ể> ็เคลืนไปตรงดูซ <ại> <ái> ้ายดูขวาเนี่ยจะมีอะไรแต่แี่มันเยอะสว่างมากใช่ไีมัเาก็บริีใหญ่กว่าทดาวดงใช่ค่ะใหญ่กว่าลไล่ไปัปู่แล้วตรงไปมทปู่ไล่อทปู่นดาวดงมันใหญ่มากียเียไม่ได้เลยนะ กมัยก็ดีจัดนี่และแท้จริงก็ใหญ่มากแต่วดลายๆขอัย้นยนาใบุญบารมีท่ายืนขันเอเขาถึงมีเพระที่อานิยมีใญ่เห็นท่านอยู่ที่ไหนยืนอยู่ท่ลิมาหน้าลไครับวัจาราแต่วท่ายังมุขโคะไห ลายอ่ะสวยกว่าสวยกว่าเพราะท่านาท่านอมมาแล้วนะท่าสวยกว่าสวยกว่าใช่ไหมอาจาร์คงเห็นได้เห็นไหมเห็นไหมเราประกาท่านว่าในศาสนาเขาท่านที่จะปรากฏในธรรมในการต่อไป ใหญ่ใจว่าหลังจากขึ้นศาสนาองคสเดเจิาาสาดเจ้าวงพระพุทธเจ้าว่าพว่าพระละโเื่อศาสนานี้หมดไปแล้วะท่านจึงจะลมาเจ้าเม จำล้านตีถูกต้องนับจากนี่ไปประมาณล้านตีนับจากนี่ไปกวนาจะสิ้นภาาเป็นสองพันตีสนัไม่ใช่ภาษากันแล้วข้าพเจ้มายเกือบล้านตีเอแล้วต่อนี่ไปแล้วก็คอยเขกัศร้อกันนะเพราะว่านเหนียวเกิรับ ลาท่านขอโอกาสให้ขอโอกาสท่านลาท่านเถอไปท่านมารเลยดีแล้วปลูกไฟกับระเส้าเนี่ยไปไกลท่านคงเขานำมากากนำจะป่ะนำเนี่ยตามท่านไปดูตามทางที่แล้วเดินไปแบบสบายมีอะไรเสอ็จผลงานไม่ลาดท่านมีค่ะเนี่ยดาวไปดีแล้วทางเป็นทางเขาขาวไป ทาสาวทาแม่ท ah, ้าไปแค่หมดตลอสายนะมีม <Rings> ีทางแยกแยกยอาใ่าทานทางแยกต้ไปไหนทางแยกขวาไปไหนไปราะีน่เป็นานิเอาไปเป็นไม้บดาดบานต่อไปถึงท่านนมาเดีย ผู้ชายนะจ๊ะผู้ชายนะถูกป่ะแฟนเก่าใช่ไหมผู้ชายถามได้ว่าท่านเป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะเจ้าชายใหญ่ใช่เ้ามีมารณีใช่ไหมใช่ใช่นะะจะเป็นหัวหน้าใหญ่คนนี้แต่ตัวสวยนะสวยดีอะไร พอแก้วๆนะยิ้มบ้างอมใจอยากใหยิ้มไหมเกี่ยวแล้วเหรอถามว่าท่านเปากหรือเป่าเคยเป็นเพื่อยากันมาหรือป่าใช่เป็นอะไรเป็นอะไรแล้วแต่พูดแล้วนะเจ็บเจ็บ สามวัามวันแต่แต่อะไราแต่ไม่ใช่แ่วันนมนมับานมลุกหมือนกันนะอืมเอออันนี้ดีใจนะท่านฤาษีบูดาเนื้อดีใจนะนี่แล้วคอเพชรเนื้อสิไปเก่าเลยว่ะถ้าขอให้ท่านนำไปชมบริเวณห้องท่านนี้ทั้งหมด ทุกคนตมไลยวะยาวยามากไหมเจ้ามันีแสนสว่างมากไหสว่าง่ะวันนี้สว่างมากแล้วันหมดจะไหมเ้วเะเออเรายปเรื่งวันที่สองแต่ทยานมมาและดีนี่เป็นท่านที่นีฤทธิ์ให้แกท่านเปนิมิฉวสวรสวัสดีว่าเทรดาที่มาเจอท่านี <sighs> so ้ได้ก็ต้องเคยได้ทานปีด้วย ก็ได้ปัญญาห้าด้วยแล้ว่าเวลาจะตายก่อนจะตายไม่ได้เข้าทางตายยังไม่จะเป็นตัวเียวแนี้มันตองเวลาเข้าานไแล้ว่าเวลาจะตายมาเกิดความพอใจทานี้ก็อยู่นี้ได้แล้ว่าปดจิตีทันี้ได้ก็ต้องไปดุสมเข้าผ่านเทมาระดีว่้เข้าจไหมแล้วท่านจะไปดคม แต่ท่านท่านตอบไปว่าท่านจะกลับมาเป็นมนุษย์หรือว่าจะบป็นปิศาจเลยไม่เด็นปิศจท่านเก่ท่านนี่เขาได้ปัญาสมาบัติในสมัยเราเป็นมนุษย์คนที่ได้ปัญญาสมาบัติส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ลงโตตั้งเนี่ทานแล้ก็อันนี้ลาท่าหเนขอให้ท่านนำไปใช้ปณิธานวัสรปฏิจะเดินตามแแกะแคเลย ให้พาไปที่ไหนข้ามาเลยเลยท่านนี้มเยี่ยมเอามาท่านข้ามาเลยหรือว่าพญามาราที่ด้เมเผลมีมารกว้างใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยต่าสาวมีมารทีอะไรนะ ขาวสีขาวเป็นแคดใช่หมวันนี้ว่าจที่วันนี้เกิดโคจรกันจีิงันมันนจจองไม่มีสลันละวนทะุกทุกวันที่ระบาเห็นสีไม่เหมือนอย่างนี้เพราะสมาีิมันไม่แน่แนนะเหตกรหนึ่งการตับสินใจในการตรงขันท่าอาจจะไม่แน่น น, นะแตาวันท้าวจการัดสินใจเราดีสมาธิดีเร้เคยเหใส ตงเก้าตาธรรมเียงถ้สมาธิดีไม่พอวิจารนาญาตสั่ไปตัเทหลังสีสัจะโมองไม่ตัแต่างทีนี่สีเขียวที่แล่เป็นแม่แทีจริงเทวดาทนนี้เป็เดาทรงพัีลเียท่านทรงพันสีละเอียดท่านมีความพอใจในท่านนี้บ้างบามทีเจ้าเวลาจะตายีข้อสารบ้างมาเป็นธทวดาทนนี้ท่ามีมาดูแฝาวยท่านนี้เ ที่มาในนินพพานนะ้ลายเออใช้ใช้คายกันนะแต่แสงสว่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันวามท่านมาะไยนี้ว่าท่านจะเป็นพระพุทธเ จ, จา้าเมื่อไหร่บอกไม่เป็นเออราวาดพานเลยมันไม่เป็นอะของหลวงพ่อวาพาเรองท่านบอกว่าเหมือนหลวงพ่อ อ, อ อ, อมนมียอนเก็บ ด้วยคู่ปับกันนะเรอยู่กัได้ใจเกาเวลาท่านมาลาภิราชนีท่านตัดจากพุทธคุณแล้วใช่ไหมท่านตัดแล้วทม่งบริการขอถายกันนะมีสอบร้องท่านบริษัทมาแบ่แล้วงอ่อมีโยง่องบดแผลเล่นทำไม่ได้สมัยชอบเลยชอเป็นเพื่อนกันเเพกันนี่เป็นเร่องบริสุทหรือเปล่าไมป่า เกิดอะไรเกิดปรับตัวเกินเราก็เปลี่ยนท่าใจดีนะนดูวนเวียรอบๆมันมีต้นไม้มีตับเนะมื่อนั้นมีกันหลงนะเวลาทัานนี้เนะี่ยถ้าเขาตจ้าการอะไรเรามาให้เทวดาชนใงมารณ์ดีดุเรนนี้ได้ในแก้วแล้วทางานเองครับตอน น, น, น, น, น, นะนนี่ไปก็ลาท่านขอท่านแม่ การเน่อยสถขาี่ยราษทั้งหมดทั้งหมดนะพระบุตักรีตามมาด้วยรจักทั้งหมดาท่านค้อยท่าแม่ท่าเหนสถขาพาไปสมสมเอาเอาลูกไปสนท่านหนึ่งนี่ท่านสตสุดเลยคือาว่าจักรโมดีสมพระดีสมแล้วก็เดินไปเออกรมพรักวรดินีวแจกต่างกันไหมต่างกันตกันนะ เออตะวบนนีเราเดินมาเป็นพืเหมือนกับพื่อสิเดียวเพื่อเดียวกันใช่ไหมตรงนี้เป็นชั้นบอกขึ้นเป็นชั้นเหมือนกับเราขึ้นขึ้นช่้นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมไปตรงตะวันที่เรียกว่าเป็นชั้นในความจริงไม่ใช่ชั้นสี่สี่แต่กระนี้เป็นชั้นจริง่า้นหนึ่งก็สามกันสองก็สนไปนี่เราขอขึ้นเป็นชั้นสี่ลิบกเลยเพราะแม่เราพารณา อาจาไม่ดีผมมารับเทียมาแล้วะใหญ่ใ่ใ่ตะรงเรงเทียขาวเป็นแก้วโ้แก้ววนี้สนเป็นทีนะจำไม่ดีนะบาครั้งถ้าสมาธิอันดีอาจจรเป็นีกระเป็นแก้วหรือระเป็นพระองค์นบางขถ้าเชื่อทรงปกติจะเป็นสีองเนื้อท่านเป็นแก้วเป็นเื้องาเแกวแก้ว แ ต, ต่ว่าต้นทรงเค่ีทองแเลือและสติแใส่ต้สีทองอมันจะเป็นกระจายแตมันจะเป็นแสงใสและแงแสงสายกระจายออกไป น, น, น, นมันจคุมสีก็ท่าทั้งหมดถึงเอพองคจนะไม่ดีไหมเดี๋ยวจะเป็นหงลงจงไปเห็นใครเ ห, นหดด็นเอพองค์ลยไม่ได้ทองกรดักตัวอะไรไม่ได คือปารยพระพรจะพุ่งออกไปคุมเนื้อหมดทุก่ขององค์ท่านนกราบท่านและขอขอบคุณท่านคุ้แม่นะล้วไปสอบถามคุท่นนี้เกียัภาวนาการมีาละเอียแลเราวสอท่านนี้ในข้าพรอภัยรามด้ี่าอัามอดีตพมอนี้ท่านจะอยู่ที่นี่ทน่ศาสนานี่นี่เปปิบัติหรือว่าอยู่ไม่ถึง ไม่เป็นอยงนี้นะจะมีอุปกรา์เต็มเคีย่เต็มที่นะถ้าต่อที่ใแล้วขออยากขาว่าพาลำพายท่านให้พาไปดูอรูปผลตอย้อนออกมาในช่วงท่านพิจัยท่านก้าวต่อกัน อากาศใสไอากาศประกายสไม่มี่ประกาแล้วก็ไปดูนถ้าใครเห็นได้ตายหรืเปล่เ็นกเห็นไหกยอันนี้ขอดูอนุภาคมที่มันลอยในอากาศนี่อที่ได้เปรูปอะุสว่างสเรื่องีจที่ยึดแค่ดวงดา้ แต่ไ่หนึใช่ค่ะแล้วก็ขอดูอารมณ์ของคนิเษสองแผ่นคืออาโตัดบอาจารยมุตจขอเชิญทาสุนเป็นายแตกะประารถูกม่ะจงกางมสีไหมค่ะไม่มีสี่ครับ แล้วเส็กเรอะรึเปล่านะเด็กเยอะหรือเ่านะเด็กเยวะๆแต่งแต่มีสามี่สีใช่ไหมตรงกลางนี่เป็นลายใสแต่สามค่อันนี้อันที่แตกต่างกับตัวอื่น ก็ไปเอาลูกผสมมาใกันแต่ว่าท่านมีบุญญาที่การสูงกว่าแล้วก็ในฐานะที่มุทุโองผลเรมารู้จิตน่ยมนมีอันนีสุดิศษยู่งมีกระจายสายกว่าอันนี้ตราท่านสามดีบอให้ท่านแม่ครับท่านม่ไดศรัทธาพาไปที่มัยองผลเดุตธรรมารู้จิาสุภนามบุธรรมะโคดมเ ไปแล้วใ่ไหมถึงแล้วต้องบอกลักษณะที่วันนี้ตาตาไหมตายี่อะไรแก้วตาแก้วแก้วแก้ว้อตาไหมันนีไม่เข้าคม่เข้าถ้าไม่แฉไม่ใส่ข้อตาแล้วไม่เคลื่อนตาก็แสดงว่าสมาธิคนิึงคดีสมาธิคนดีพัฒนายายดีวันนี้พกเราเก็บอัตรา แตว่าวันไหนถ้าวิปัสสนาญาณของเราไม่พอไม่ดีไม่พอแงสงเนี่ายเข้าตาลุ่มโไปแต่ว่าเป็นัคนะแสงพระพุทธเจ้าแค่นะใหญ่ไหมธรรมดาธรรมดาขนาดไหนแดงใหญ่หมผมเห็ใหญ่ครับ เออเข้าน so <the> ั่งที่หัวขาตาตมเนีเมสสุขมรับเขแวนี้ะรัมอย่างน่งจะนว่าพระพเจ้าจริงๆถ้าเราขึ้นมาถึง่าจะพาว่าด้ากายของเราเป็นิไอ้กายของเราที่เป็นทิเดียถ้าเราจะไปเทียบกระโที่จะโดนกันถ้าเราเยนเยข้าโลที่จะโดนจันความเย็นตัวเราให้ท่ไรับพื้เ้านี่ ขอพรไปชนิดตัวไปชนิดขอองค์พร อ, องขึน้นเดชตัตมาแล้วก็จะเจ้าเดชรดนำไปดู โ, ดนนดกโลกภยันที่ขยังไปนะเย็นใช่เย็นดูรักษาจริงไหโล่งๆโล่งๆไน่ได้ไหมไม่มีค่ะไม่มีหน้าแล้วผ้าตางี้แห้งๆนะอากาศไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สดชื่นใ ต่อไปนี้ขม่านอี่คขาท่านมานพี่เกิดพาไปโลกนิรันดร์นีนลังไปยังไม่เข้าใจนี้แต่การกับโลกก็จะไงครับมันแห้เหมือนกันแห้งเหมือนกันแล้วกว่าไหมค่เแดนแดแดพื้นมันแดแล้วโลกก็จะันรเป็นไงจันทร์มันคล้ำคล้ำ เป็นเผาเนี่ยบาจุดเป็นเผาเนี่ยแต่โลกก็ถ้าการมีลักษณะนิ่งแดงนะถ้าหุ่นแก่งแดงใช่ไหมดูสภาพอากาศในโลกภูจันทร์พวกพันธุ์แตกต่างช่ไหมแตก่า่ไหมเรากร่างคาเนี่ยสภาพของมันหลักโลกภูทรทุกคนก็ได้นะตังแต่องไต่อไก็ได้บอก ทาทุกคนลาท่านแม่พี่ใ่ไหมเรากลับที่แล้วล้วจะรวมอยูนี่เลยก็ได้จ่ะมาแลว